นักศึกษาในครั้งนี้ทั้งเจดสถาบันเนี่ยเป็นการรับครั้งแรกนะคณะสทาญาติโยมแต่ที่หลวงพ่อรับมหาวิทยาลัยมหิดลหรือนักศึกษาแพทย์ศริราชหลวงพ่อรับมาเป็นแปปีเว้นวักหนึ่งปีถ้ารวมแล้วก็9้าปีแต่เว้นวักเป็นหนึ่งปีที่หลวงพ่อรับแปดปีกับเพิ่งนราศกขาไปเมื่อวานนี้สิบสอง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 เสร็จแล้วไม่ใช่ยืมเข้ามาไม่ใช่เช่าเข้ามาไปว่าเป็นของส่วนตัวแท้ๆเป็นอัฐาบริครันบริขาร8อัฐาแปลว่า8นะบริขาร8ของพระอ่าทีนี้พวกเราก็เตรียมพร้อมไว้แล้วขอไม่มีปัญหาแต่ส่วนเจตุปัจจัยแต่ละนาคพ่อแม่พี่น้องลูกหลานอยากจะทําบุญคราวนี้พวกเราได้เอาลูกหลานบวชในพระพุทธศาสนาตระกูลของเราก่อนนานแล้วไม่ได้บวช แต่คราวนี้เอาบวชในพทุทธศาสนาเป็นบวชเป็นพระกรมฐานาแนวแถวสายหลวงปู่มั่นเป็นพระกรรมถานอย่างพวกเรามาเห็นป่าโรงพงภัยอย่างนี้แหละลูกหลานจะได้บวชพวกเราจะมีร่วมกันจะถวายจะตุปัจจัยถวายพระใหม่ใช้ในงานบวชของพระใหม่เราเท่าไหร่ก็ให้ชทใช้ญาติโยมรวมกันเอาปัจจัยรวมกัน เ, เสร็จแล้ว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 เราเน้นทั้งเรื่องภาวนาเรื่องการอบรมแนะนำสัง่งสอนเรื่องศีลธรรมจริยธรรมเรื่องข้อวัดปฏิบัติําหรับพระเนนภายในวัดเพราะนั้นในวัดของเราจึงไม่มีถาวลวัตถุที่หรูหราโออานะมีแต่ศาลาหลังนี้ศาลาหลังนี้ก็ใช้ได้ประโยชน์ทั้ ง, ท, งทั้งโบทั้งโบด้วยแทนโบทนะบวชพระอะไรทำสังฆกรรมไดไทุกอย่างในศาลาหลังนี้เพราะว่าเรามี